ติสัลลนีนัสหาอาทังขะสัมมาคตังุโบสัทังยาจามะดุติยัมปิมยังพันเตติสัลลนีนัสหาอาทังขะสัมมาคตังุโบสัทังยาจามะ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 ต่อหน้าพระประธานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วยังไปโกหกตัวเองยังหัวเราะแห่แห่เพราะเหุอะไรเพราะโกหกตัวเองใช่ไหมเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทท่านนะอันนี้พวกเราต้องมีความสัตด์จริงคนที่จะดีได้ต้องมีมันต้องมีสัตด์จริงสัจจระและความจริงจังและจริงใจจึงจะเป็นคนดีได้ถ้าคนหล่อแหลกทาอะไรไม่มี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 ได้พูดกล่าวออกมาเป็นคำไม่ใช่ว่าพ่อคิดอยากจะพูดอะไรก็พูดคิดอยากจะทำอะไรก็ทำอย่างนั้นแปลว่าคนไม่มีกฎเกณฑ์ใช่ไม่ได้นะศรัทธาญาติโยมลูกหลานน ะ, ะเพราะนั้นการที่จะทำอะไรต้องคิดให้ดีเมื่อคิดดีแล้วนั่นเราค่อยทำทำโดยตั้งโดยความตั้งใจทาด้วยความจริงจังและจริงใจเว้นเสียแต่ว่า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 ถ้ามันลงข้างถนนแล้วตัวเองจะตลอดปลอดภัยหรือเปล่าเขาไม่รู้อันตรายนะเพราะฉะนั้นการทําความชั่วเหมือนกับหักพวงมาลัยลงข้างถนนอย่างนั้นนะถ้าเราทําคุณงามความดีเราจะูไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราคิดดีแล้วนะเหมือนกับรถวิ่งในถนนไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราตั้งใจเอาไว้นะถ้าต่อเ น, นี้ไปตั้งใจสมาทานศีล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 เวรมณนีสิกขาปะทางสมาทิยามิสุราเมระยะมัชชะปะมาทฐานาเวรมณนีสิกขาปะทางสามาทิยามิสุราเมระยะมัชชะปะมาทฐานาเวรมณนีสิกขาปะทางสามาทิยามิผู้รักษาศีลห้าจบเพียงเท่านี้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 จงเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยแห่งทางพะนิพาณในปัจจุบันนาการอันใกล้นี้เธินอิมาณิอัตสิกาปทานิอัอเชกังรตินดิวังอุโปสัทสิรวัสนะซาทุกังรักิตาานิ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 พวกเราได้พร้อมใจกันมาไหว้พระแล้วก็สมาทานศิลอุโบสถเราตั้งจิตตั้งใจไว้ว่าจะรักษาศินอุโบสถในวันพระในพรรษาทุกวันพระเพราะว่าวันท่านเราจะรักษาวันคอื่นๆก่อนๆนอกพรรษาแล้วก็ไม่มี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 ฟังเทศของพระพุทธเจา้าติดตามพระพุทธเจ้านะแต่พอศาสนาอื่นเข้ามาพูดนั้นเองก็เลยเป๋ไปเลยต่อหน้า ต, ต่อตาพระพุทธเจ้าก็มีเหมือนกันเนะพราะนั้นสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อเองถ้าจะว่าท่านท่านก็ว่า ก, กรรมเหมือนกันนะกรรมกรรมของสรรพสัตว์ทั้งหลายถึงจะมาเจอของดีแล้วก็เป๋ไปข้างๆก็มีตั้งเยอะแยะอีกเหมือนกัน